รุ่มร้อนเพราะอะไรนะรุ่มร้อนเพราะคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วเหตุการณ์ในอดีตความพัดพรา่าความสูญเสียงานการที่มีอุปรสรรคหรือว่าคำต่อว่าดาทอที่ยังเวลานึกทีไรก็รู้สึกเจ็บใจหรือว่าเจ็บแค้นเงินหาย ก็ยังนะคิดถึงที่ไรก็เสียดายเสียใจนะทรัพย์สินที่ถูกโกงผ่านไปสิบปีนะก็ยังไม่หายทุกข์นะปัจจุบันก็สบายดีอยู่แล้วนะแต่ว่าทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะมันหวนนึกถึงอดีตหรือไม่ก็ไปนึกถึงอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงไปตรวจสุขภาพ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 เป็นมะเร็งไหมบางคนก็เป็นห่วงนะลูกเรื่องการเรียนสอบเข้ามาาหาวิทยาลัยได้หรื อ, อยังนะกังวลว่าจะมีนะเงินจ่ายนีนะ่สิ้นเดือนนี้ไหมผ่อนรบผ่อนบ้านบางคนกลุ่มใจเรือค่าตัวตายนะทางดางที่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 สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าหลังจากที่สิ่งที่ต้องทําเมื่ อ, อท่องเที่ยวเสร็จหรือว่ามันหมดเทศกาลบรรหยุดนะต้องไปเจออะไรบ้างข้างหน้านี่ก็ทุกข์แล้วอันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะความคิดนะนะทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะใจนี่ไปอยู่กับอดีตบ้างหลายไปลอยไปอนาคตบ้าง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 คนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากนะที่ตัวซีดเพราะว่าโลหิตจางเนื่องจากมีพยาธิปากขอนะเดี๋ยวให้กินธาตุเหล็กก็จะหายวันหายคืนพูดเปแค่นี้เนี่ยพอหันกลับไปที่คนไข้บอกว่าบอกว่าคนไข้นี้ลุกขึ้นยืนได้เลยเราก็บอกว่าหมอถ้ามันหายง่ายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปย น, นี้แล้วล่ะลากเปล เ, เข็นเปยไปเลยเรยวแรงกลับมาทันที ทำไมถึงเลี้ยวแรงกลับมาทันทีก็เพราะรั่วไม่ได้เป็นอะไรมากก็แค่มีพิยาปากขออ่าแล้วทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่มีแรงนะก็เพราะไมไ่ไม่รู้ว่าตัวเองมีพิยาปากขอไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นแค่นี้นะแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนักกว่านี้คือคงจะปรุงแต่งว่าตัวเองเป็นมะเร็งมั้งหรือว่าเป็นโรคตับหรือเปล่านะอันนี้เรียกว่า ปรุงแต่งหรือมโนโนะสมัยนี้เรียก่มโนแล้วความมโนนี่แหละก็ทำให้ทุกข์มากนะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่คนเราทุกข์เพราะความคิดกันมากทีเดียวนะอย่างที่บอกไว้แล้ ว, วความคิดมีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้คิดเลยเปื่อยไปนะมันก็สามารถจะนาความทุกข์มาให้กับเราได้ ทจริงมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่จะมโนโหรือจะปรุงแต่งสิ่งสำคัญน่าจะอยู่ที่ว่าเรารู้ทันมาหรือเปล่านะถ้าเรารู้ทันความคิดนะมันก็ไม่ปรุงแต่งตเตลอดเปิดเปลืองไปไม่พาจิตใจของเราเข้าโลกเข้าพงหรือว่าเข้าไปในกองไฟให้ไฟโทรสระแผดเผา แต่เราก็มากจะปล่อยให้ใจของเราตกละกรมลำบากแบบนั้นก็เพราะความคิดทีนะ่ที่ปรุงแต่งเรื่อยเปื่อยอันจําเป็นอย่างมากนะที่เราจะเป็นที่เราจะต้องมีความรู้เท่าทันนะในความคิดที่มันเกิดขึ้นแต่ละขนาแต่ละขณะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเดือเพราะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดนะ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 ถ้าเรารู้ทันความคิดนะเราก็จะไม่หลงเชื่อความคิดง่ายๆเราก็จะไม่ปล่อยให้มันลากจิตใจของเราให้ไปตกรลกำรรมลำบากหรือว่าถูรูถูกกังนะความคิดเนี่ยมันเป็นบาวที่ดีนะแต่มันเป็นนายที่เลวนะไม่ใช่แค่เงินเท่านั้นที่เป็นบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวนะต่ความคิดด้วยเหมือนกันความคิดนี้ถ้าเราใช้มันนี่มันก็พาเรานะ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 บางครั้งแม้จะรู้ใจเราแต่ว่าก็ยังทำตัวไม่ถูกใจเราก็มีแต่ถ้าเรารู้ใจตัวเองนะโดยพรารู้ทันความคิดของเรามันก็ทำให้ความคิดนั้นเนี่ยไม่สามารถจะครอบงากากับเราหรือพาเราเข้ารถเข้าพงได้พอทันทีที่เรารู้มันก็จะวางรู้ทันความคิดก็จะวาง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 ทำร้ายเพื่อนหรือว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ทำนะมันก็มีข่าวเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะว่าอยากได้มรดกที่จริงก็ได้อยู่แล้วแต่อยากได้มากกว่าคนอื่นหรืออยากจะฮุบหมดเลยความโลภแท้ๆหรือว่าถ้าเกิดมีราคามากเนี่ยมันก็ทำให้นะราคามัก็สั่งให้ไปนะชำเราใครต่อใครอย่างเมื่อสองสาวัน ก, นก่อนก็มีข่าวนะ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 ใช้ตันหาระตันหาอันนี้ผู้เจ้าตรัสนะใช้ตันหาระตันหาตันหานี่ถ้าเราใช้มันนะมันก็สามารถจะทำให้เกิดความสงบเจนในจิตใจหรือว่าถึงกับหลุดพ้นได้แต่ถ้ามันใช้เราเมื่อหลายนี่ก็สามารถจะลงอบายนะอารมณ์เนี่ยถ้าเราใช้มันไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกหรือลบนี่ก็สามารถจะ ทำให้เกิดการสร้างสารรค์ขึ้นมาได้หรือว่าจะเลยงอกงามในทางธรรมก็ได้พระอรหันต์หลายท่านนี้ท่านบรรลุ ธ, ธ ร, รรมได้ก็เพราะมีตัณหาแล้วก็มีมานณ์เป็นตัวผลักดันแต่ว่าเป็นการผลักดันในช่วงแรกๆนะอย่างลูกชายอนาถปิิกเศรษฐีเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ก็เพราะไปฟังธรรมจากผู้เจ้า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 เพราะว่าได้สิ่งที่ประเสริฐกว่าอันนี้ก็เรียกว่าบรรลุธรรมเพราะตันทานะคือความโลภอยากได้เงินอย่างพระนันธา น, นี i ก็อยากจะเจอเทวดาเจอเทพธิดานะอยากจะได้เทพธิดาซึ่งสวยกว่าคู่มั่นของตัวก็เลยไปปฏิบัติธรรมก็เลยยอมปฏิบัติธรรมยอมอบวช ตามคําแนะนําของพืชเจ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ถูกคนนินทาว่าเนี่ยรับจ้างบวชรับจ้างปฏิบัตินะอยากได้เทพธิดาอยากได้นางฟ้าก็เกิดความอับอายไอ้ความอับอายนี่ก็เรียกว่าเกิดมารนณะ์ก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยเราต้องไม่ไม่ไม่ให้เขาดุด่าว่าาอย่างนั้นไม่ให้เขานินทาอย่างนั้นก็เลยตั้งใจปฏิบัติ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 ขยันน้อยลงนั้นวิริยะกับสมาธินี่ต้องคู่กันแต่ว่าสตแต่ว่าปัญแต่ว่าสตินี่นะมันสามารถอยู่ได้โดดโดดนะไม่ต้องมีอะไรมากํากับเพราะว่าตัวมันเองนะมันมีทั้งไม่ว่ามีความครบเครื่องนะเป็นทั้งตัวเล่งแล้วก็ตัวคันตัวเบรกเวลาที่ทํางานแล้วไม่อยากทางานก็เล่งให้เราทํา